เพื่อนที่เคารพคะเราอยู่ในพวง่งลาของรายการสนสนิสนทนานะะทางสถารวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็มร้วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมประเกียดด้วยคะ่ะพูดถึงรายการของเราก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้พร้อมทั้งเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็เรื่องของการสั่งสมสุตตะเลยการฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรมีน้าหนัก มากน้อยมากกว่ากันที่พระพุทธเจ้าให้คุณค่าไว้เดี๋ยวเราไปติดตามฟังกับพระพยัยบุ์อีภิปุโ น, โนนะคะในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนมรดกายนะท่านคะเชิญพรฟังธรรมกับปฏิบัติธรรมอย่างที่คุณยมติวพูดมาสักครู่น ะ, ะ อ, อ, อันไหนจะมีน้ําหนักมากน้อยกว่ากันหรอมันจะมีนัยยะอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งว่าอย่างการฟังธรร ม, มเนี่ยสมมติเราจะไปปฏิบัติเนี่ยเราจะปฏิบัติอะไรถ้าเราไม่รู้ข้อมูลถูกไหม เพราะฉะนั้นคุณจะปฏิบัติได้เนี่ยคุณต้องต้องมีคือมีข้อมูลเริ่มต้นก่อนแต่วันนั้นการามีข้อมูลเริ่มต้นตรงนี้ก็คือว่าต้องมีควรจะมีการฟังธรรมนะแล้วก็เมื่อเราฟังธรรมะรู้ข้อมูลแล้วเราควรจะไปปฏิบัติซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่าแยกกันโดยชิ้นเชิงระหว่างที่เราฟังอยู่เราทําในใจไปด้วยพร้อมๆกันก็ได้ระหว่างที่เราอ่านหนังสืออยู่เราทําในใจเปด้วพร้อมๆที่อ่านไปด้วยก็ได้เพราะเพราะมันอยู่ในใจไงใช่ไหมอ่า ม, มันไม่ได้ใช้ตาไม่ได้ใช้หูแต่มันใช้ใจ เพราะนั้นถ้าเราฟังไปด้วยเราก็ทําไปด้วยได้เลยอ่านไปด้วยทําไปด้วยได้เลยก็ก็ได้ค่ะทีนี้มันจะคนรับประโยชน์กันคนรับประสงค์กันมากั่นเถอะการมีหู เ, เพื่อนี้รับข้อมูลเข้าใจนี่คือเราแบบใช้เป็นตัว exercise ออกนะซึ่งสามารถทําได้ไปพร้อมกันได้หรือแยกกันก็ได้ออือแล้วแล้วในเรื่องการฟังธรร ม, มะนี่ผู้เช่าเคยเตือนอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าเผื่อว่าเราฟังแล้วรับข้อมูลมาแล้วเนี่ยแล้วเอาไปทิ่มแทงคนอื่น ด้วยหอกคือปากอันนี้ก็จะไม่ดีเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษอ่าแต่ถ้ามีด้วยเหรอคะที่คนรู้ทำแล้วไปทิ้มแทงคนอื่นเนี่ยค่ะมีสี่รู้ข้อมูลรับข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในการที่จะล้มล้างละที่อื่นให้สิ้นไปอ่าอันนี้คือพวกที่ใช้เป็นปริยัติที่เป็นงูพิษเถียงคนอื่นด่าว่าคนนั้นคนนี้โดยเอาข้อมูลพระเจ้ามาใช้อย่างเงี้ยมีอ่ท่านท่านพูดเป็นพุทธวจนะอีกครั้งได้ไหมคะเดี๋ยวพระเจ้าพูดถึงบุคคลที่เอาธรรมะเนี่ย มาทิมแทงผู้อื่นเพื่อที่จะล้มล้างลทัทธิอื่นให้สิ้นไปนั่นคือพวกที่ใช้ปริยัติที่เป็นงูพิษเเปรียบเหมือนคนที่ไปหางูี่ต้องการงูเนี่ยไปหาเสร็จปุ๊บจับงูเข้าที่กลางตัวเลยงูมันก็หันหัวมาฉกให้เจ็บตัวเลยนี่นคือลักษณะของปริยัติที่เป็นงูพิษคือเจอของดีปุ๊บรีบใช้เลยโดยที่ไม่ดูให้ดีสัก่อนแล้วก็ใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยคือใช้ความรู้นะคือจําได้เฉยๆนั่นแหละเอาไปทิมแทงคนอื่น อันนี้ ต, ต้องระวังนะต้องระวังะะต้องระวังแต่ที่<บ>ถูกแต่ที่ถูกก็คือว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบกับคนที่ไปหางูเนี่แหละนะแล้วก็เอาเอ า, เอ า, เ, อ า, เ, อาเอาไม้เท้าเนี่ยที่มีกรีบเนียด้ามอย่างกับเท้าแพะเนี่ยกดลงที่ตัวงูก่อนแล้วก็เอามือจับหัวอย่างดีนะียอย่างดีเสร็จปุ๊บบางทีงูเนี่ยมันมารัดมือเอาไว้แต่เขาก็ไม่เป็นอะไระเช่นเดียวกันกับคนที่เอาธรรมะจำธรรมะได้เนี่ยเราก็เอามาใช้ นะคือจําได้มากอยู่ก็ก็ดีแล้วเนี่ยแต่ก็จะไม่มีปัญหากับธรรมะนั้นอืมค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันบางทีเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจแล้วเชื่อมั่นด้วยไว้ที่อย่างที่เราเชื่อนะ่ะดีกว่าเอาไปลบล้างความเชื่อของคนอื่นอย่างนี้ผิดแน่นอนถูกต้งคือคื อ, คอคลบล้างความเชื่อเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าอากับกิริยาไหนแต่ถ้าคุณ ค, คุยกันดีๆก็โอเค แต่ถ้าบอกว่ามีการทุ่มเถียงกันด่าว่าการใช้คำหยาบแล้วก็ด้วยเจตนาที่จะล้มล้างเขาให้สิ้นไปเนี่ยอันนี้ไม่ดีอืท่านคะอันนี้อาจจะไม่ได้เรื่องเดียวกันมากนักนะคะที่ท่านถามนิดนึงว่าก็ได้ไปพบคนที่สนใจพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มายกประเด็นเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์เช่นพอนบอกว่ามันไม่ถูกต้องอเพราะว่าตอนเนี้ยไม่เหมือนสมัยพุทธกาลแล้วอออืมอ่ที่ว่า ในยุคนั้นคือพระพุทธองค์จากทรงให้พระภิกษุเนี่ยเคร่งคลัดกับการที่เป็นผู้ที่ต้องขออาหารเขาเลี้ยงง่ายรับประทาน<ม>ต้องเลี้ยงง่ายอะไรอย่างงี้<ม>ใช่ไหมคะใชว่าทําไม่ได้ไปสั่งให้ใครฆ่าเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยก็ฉันได้ใชเ่เพราะบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการถ้ายังรับประทานเนื้อสัตว์กันต่อไปเท<ม>่ากับเป็นการส่งเสริมให้คนที่มีอาชีพเนี่ยก็ฆ่าสัตว์ มาเลี้ยงเราก็เป็นการเบียดเปลี่ยนคุณคุณคุณโยมติว๋วคิดว่าพระในประเทศไทยมีมีเท่าไหร่เป็นแสนนะคะก็ประมาณสี่แสนค่ะปร ะ, ประเทศไทยมีประชาะการกี่คน6กสิบ <60 S 1> ล้า น, านค่ะเออมันไม่ได้หนึ่งในสิบด้วยซ้ำค่ะอืาไม่ได้หนึ่งในร้อยด้วยซ้ำค่ะแต่ดิฉันเข้าใจว่าเขาก็คงจะพูดครอบคลุมทั้งสมณะแล้วก็ ทั้งในส่วนของคนธรรมดาแล้วก็ไปอ้างอีกว่าเมื่อไปเทียบเคียงกันก็มีนักบวชในศาสนาพุทธเหมือนกันแต่อาจจะจากประเทศอื่นเนี่ยนะคะที่มีทัศนคติว่าต้องไม่ฉันเนื้อสัตว์ไม่บริโภคเนื้อสัตว์เลยไม่งั้นมันไม่ได้แสดงถึงการมีคุณสมบัติที่สำคัญคือความเมตตาค่ะท่านคะอย่างที่วัดป่าดอนไนโศเนี่ยนะในช่วงการลีกเล่นปฏิบัติเนี่ยเราก็รับประานาหารมังสวิรัตนะ คือคือที่ครัวเราเนี่ยทำแต่อาหารมังสวิรัติค<ะ>่ะพอเราทําไปอย่างนี้สักปีกว่าๆเนี่ยอัตมาก็คือใครเอาอะไรมาที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์เราก็ไม่เอาอะน ะ, ะเราก็แยกไว้ต่างหากคือเราเราไม่ได้รับเรามาพิจารณาดูเพราะว่าเอ้คนที่เอาอาหารมาให้เราเนี่ยนะคือเขาถวายด้วยศรัทธาเนี่ยแล้วถ้าเราไม่รับของเขาเนี่ยแสดงว่าเรากีดกนันทานคือ<ะ>เราเป็นผู้ที่แบบ เ, เขาเรียกว่าอะไรอา่าเป็นอามิตรไม่ใช่เพื่อนดีเขาจะให้ทานเราบอกว่าคุณอย่าให้ ม, มันจะไม่ถูกดิฉันก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราแยกสองประเด็นประเด็นก็คือในส่วนของสมณะก็อาจจะมีเหตุผลอย่างที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่ก็เป็นเหตุผลที่น่าสนใจมากอนะคะอืส่วนประเด็นของคนที่เป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมคือเป็นคราวาธธรรมดาเนี่ยอื ม, อ ม, อมแล้วก็อยู่ในแนวทางของธรรมะนี้จึงควรที่จะเป็นผู้ที่ ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะคือเราก็มาปรับประยุกดูว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าไหมเพราะมันก็เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันนะว่าถ้ามีผู้บริโภคมันก็มีผู้่าอันนี้พระพุทธเบอกมาให้ชัดเจนคุณโยมเตีวว่าอาชีพที่ไม่ควรทำ ค, นะคือการค้าขายเนื้อสัตว์ อ, อันนี้ไม่ควรทำคือการาค้าขายเนื้อสัตว์ถ้าไม่มีคนขายแล้วคือจบเลยนะคุณไปซื้อตลาดไม่มี คนขายก็โทษคนบริโภคเขก็อยากกินกันอยู่เนี่ยเราก็เลยต้องฆ่ามันมันก็แล้วไงคนนั้นก็ทําบาปอของเขาเองคือเขาเขาฆ่าแล้วถ้าเขาไม่เอามาแบ่งปันคนอื่นด้วยรูปของการขายมันก็จะจํากัดอยู่ในวงเล็กๆเท่านั้นเองไม่มีปัญห า, าถูกไหมแล้วนก็จะจบไปเฉพาะส่วนนั้นก็สรุปว่าพระพุทธองค์เนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการฆ่าเลยแถมห้ามไม่ได้ซ้ําใช่ถูกไหมคะคอ่าส่วนคือา่าเนี่ยห้ามอยู่แล้วฆ่านี่ห้ามอยู่แล้วค่ะเป็นศีลอยู่แล้วเป็นปกติแล้วแต่ที่ น้อยลงมาหน่อยคือไม่ควรทำคือค้าขายเนื้อสัต์ค่ะคือไม่เห็นด้วยกับการที่เบียดเบียนชีวิตใช่นะคะโดยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นอยู่แล้วทีนี้แต่นี่มันคือโลกโลกที่มันกว้างแล้วมันมีคนอยู่เป็นจานวนมากมจะไม่แล้วหลักการนี้เราก็มีเอาไว้เพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ และควรจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ศาสดาของเราใช่อาตมาก็เห็นด้วยตามพระพุทธเจ้านะว่าเออถ้าไม่ค้ไม่ค้าขายเนื้อสัตว์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ค้าขายเนื้อสัตว์ไม่ค้าขายมนุษย์พวกเนี้เออก็จะก็ดีก็ก็ไม่มีปัญหาเอาอะไรมาให้กินเรวก็กินอค่นี้ถ้ามีแต่ผักหมดเลยก็ดีเหมือนกันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็จะไม่ต้องมีปัญหามก็สบายไปอีกแบบหนึ่งงั้น ในการตอบคำถามนี่มันก็คงต้องตอบเป็นหลักการมันฟันทงไม่ได้นะคะค <c oughs> ือตอบคำถามให้ไปวิเคราะห์เองแล้วล่ะเจ๊เข <c oughs> ้าใจว่าอย่างนั้นทีนี้เราต้องมาพูดถึงผู้ที่ขายเนื้อสัตว์ก่อนว่าเขาควรจะทํำยังไงค <c oughs> ่ะอ่าว่าก็หลักการพเจ้าให้เวลานะไม่ควรค้าขายเนื้อสัตว์แล้วถ้าคุณค้าขายเนื้อสัตว์อยู่คุณจะทํำยังไงนะคือยังน้อยคุณอย่าฆ่าเขานะคือคือค้าขายเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะขายหมูสดคือหมายถึงว่าขายหมูเป็นๆอย่างเงี้นะสมัยอาตมาเนี่มันตัวละสามสิบ กิโลละบาทไม่รู้ตัวนี้หมูเป็นๆกิโ ล, ลเท่าไหร่แต่หมูงแพงอะครัมันอก็หมูที่ตายแล้วเป็นเนื้อเนื้อแลออกมาแล้วเนี่ยนะก็กิโลละเจสบาทสมัยอาตมานะตอนนี้รู้รัวเท่าไหร่ออแต่ว่า30ิบไปเจ็สเนี่ยพราะแค่ค่าเฉยๆนะจากกิโลละสามสเนี่ยทั้งกระดูทั้งอะไรด้วยนะพราะค่าเฉยๆแลออกมาแต่เนื้อเหลือ70อ็ดสิบไปเป็นเจ็ดิเนี่ยซึ่งวันนี้เป็นเป็นกระบวนการค่าที่เขาเข้าไปเพิ่มราคาเอา เพราะเราไม่อยากไปยุ่งในเรื่องอย่างน้อยเรื่องผิดสีเนี่ยเราไม่ผิดแต่ในเรื่องของการที่เราค้าขายอยู่เราจะทำไ ง, ก, งออก็ค่อยๆหลีกเลี่ยงออกค่อยๆหลีกเลี่ยงออกแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณจะบรรลุไม่ได้นะก็บรรลุได้อยู่ดีแล้วยังไงค่อยๆลเลีกเลี่ยงเอาอืแล้วถ้าสรุปสุดท้ายต้องกลับไปที่คําถามเดิมเรื่องบริโภคนั่นค่ะอืมจึงถ้าวิเคราะห์ตามนี้แล้วจะสรุปยังไงดีคะเราก็จะต้องเป็นคนเลี้ยงง่ายอยู่แล้วมีอะไรก็กินได้ ไม่มีเนื้อ ก, ก็ไม่ต้องกินก็ได้ก็กินผักผักนี่มีให้เลือกมากกว่าเนื้ออีกคำตอบ<น>ของท่านแยกไหมคะว่าสำนักเพศกับเพศคารวาสอันนี้พูดถึงคารวาสโดยตรงเลยพูดถึงคารวาส อ, อ, อยู่แล้วเป็นถ้าคาวาสกำลังค้าขายเนื้อสัตว์อยู่คุณก็ค่อยๆเลิก ค, ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะบรรลุทำไม่ได้คุณก็บรรลุทาให้เป็นโสดบาบันได แล้วเราตั้งเป้าที่สดาบันใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติไปอันนี้ก็ไม่ใช่มิจฉาอาชีวะหรอกเพราะเราก็ไม่ได้ฆ่านะก็ค่อยๆแก้ไขไปหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอันนี้เป็นศีลที่ละเอียดลงมาแล้วก็ค่อยๆทําไปออืมค่ะแล้วส่วนในเรื่องของบริโภคก็เช่นเดียวกันใช่ก็เลี้ยงง่ายก็จบเลยมีอะไรก็กินค่ะนะคะเอ่อ พอจะเหลือเวลาสําหรับการพูดถึงเรื่องของพระพุทธองค์ไหมคะในโอกาสปีพุทธชียนตีนี้อาจจะมีโอการจะพูดถึงเรื่องประเด็นของการปฏิบัติ ด, ด้วยว่าอย่างอย่างเราพูดถึงการปฏิบัติต้องปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องแบบคุณไปเข้าวัดนั่งหลับตาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะอันนั้นก็ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าเอาแค่ง่ายๆคุณตื่นเช้ามาคุณสวัสดีพ่อแม่คุณพูดจาดีๆใส่กันนะแล้วก็ อมีความรักความเมตตาไปไหนก็ไม่เบียดเบียนใครขับรถก็ไม่ชวิชวาตรนะเขาชุวิชวัตมาเราก็ไม่โกรธเอาแค่เนี้ยคุณชื่อว่าปฏิบัติบูชาแล้วนะอืมปฏิบัติบูชาทันทีเลยเอาอย่างแค่ว่าสามีภรรยาอย่างเงี้ยยกย่องกันนะให้เกียรติกันไม่ประพฤตินอกใจกันนี่คุณปฏิบัติบูชาแล้วนะโอ้หึมค่น่าทำหน่อยใช่แต่บางคนยังบอกว่ายังไม่น่าทําอ่ะก็ยังไปตอบคำถามในโพะ ว่าฉันจะมีใครก็ได้ฉันจะออกนอกบ้านก็ได้แต่เธอห้ามเนี่ย อ, อันนี้แหละค่ะที่ฉันติดใจแล้วถ้าสมมติว่าท่านบอกว่าไปถามวันอื่นแล้วการจะยกยอดไปเพื่อที่ให้ท่านพูดประเด็นที่จะเฉลิมฉลองพุทธเชียนตีให้จบประการก็จะพูดถึงประเด็นตรงเรื่องการปฏิบัตินี้อีกนิดหนึ่งว่าแล้วแล้วการปฏิบัติของเราเนี่ยคือมันมันสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาแตนะเพียงแค่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วเราก็ทําไปเลย คือบางทีมันจะมีเครื่องมากวนไงประเด็นคือตรงนี้บางทีมีเครื่องมากวนเราจะทํำยังไงเราก็ค่อยๆแก้ไปนะมันก็อดทนเอาไว้นะการอดทนนี่ยจะทําให้เราสามารถจะอย่างน้อยตั้งอยู่ในระเบียบระบบที่ที่ดีได้ท่องคาถาเป็นคารวาสอดทน <c oughs> ไม่ต้องเป็นทหารอดทนก็ได้<ช>ทุกอาชีพเลยเป็นคารวาสอดทนแล้วก็เวลาที่เจอเรื่องอะไรที่ไม่แน่พอใจถ้าเราอดทนได้เนี่ยคุณจะทําให้เข้าสู่ส ม, สมาธิได้ง่ายด้วย พอเข้าสมาธิได้ไง่ายหนึ่งบูชาละบูชาพระเจ้าเลยท่านขา้าหมาพอพูดเรื่องนี้ท่านต้องตอบคำถามดิฉันเลยนะคะท่านบอกว่าให้อดทนใช่ไหมคะวันหนึ่งขณะที่พยายามนั่งสมาธิเนี่ย เกิดการคันกระนั่งคันที่ท uh ี่ขางแล้วไม่ใช่คันแบบที่ปรากฏมาทั้งชีวิตนะนะมันคันมากคันเหมือนมีตัวอะไรเดินวิ่งเป็นรถไฟวนจากโน้นไปนี่จากนี่ไปโน้นแล้วคันลึกกระนั่งคะต้องยากอดทนอย่างที่ท่านบอกจะทําให้การนั่งสมาธิดีขึ้นด้วยดิฉันอดทนอยู่ประมาณสักสิบกวนาทีทนไม่ไหวเลยค่ะอมันคืออะไรคะท่านเพราะหลังจากนั้นไม่เคยมีปรากฏอีกเลยคือเดี๋ยวมันก็จะมีมาีคุณโจมตีว่าถ้าเรายังไม่ผ่านเนี่ยมันจะต้องมีมาเรื่อยๆ มันมันเหมือนเป็น ก, การลักษณะทดสอบจิตเราอะน ะ, ะว่าจิตเราสามารถแบบไป <c oughs> ได้ไหมแค่นั้นเองนี่ฉันถามท่านว่ามันมันเป็นเรื่องสัญญาเดิมไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นสักประมาณเป็นเดือนเลยนั่นเองระยะหลังเนี่ยรับประทานแหนมเนี่ยต้องรับประทานแหนมที่สุกแล้วอืแต่วันนั้นหิวมากกลับมาเห็นแหนมในตู้เย็นก็จัดการเฉื้อแล้วรับประทานเลยทำอย่าง น, นี้ติดกันสองวันแล้วใจเนี่ยทานไปก็กลัวไปนะคะ แต่มันผ่านเป็นเดือนแล้วนะคะท่านแล้วมันก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำมันใช่สัญญานั้นแล้วเปล่าคะอันอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบแต่คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวเนื่องจากว่าคือเรามีสัญญาอยู่ตลอดเวลาอยู่อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วคืออาการของจิตนี่มันได้ล้านแปดนะคุณยมติ๋วแต่แล้วดิฉันก็เลยนึกว่าดิฉันเนี่ยมีสัญญากลัวพยาธิตัวจี๊ดอย่ใช่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มาทดสอบเรานะอันนี้คือแน่นอนเลยมันเป็นเรื่องที่มาทดสอบเราร้บฟังค่ะ เลยต้องบอกเลยว่าถ้าเจอกับตัวมันทั้งอันนี้เรียกล่าเลยในธรรมได้ไหมคะมันก็สนุกนะคะมองให้ขำแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกจริงๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ผ่านเนี่ยนะเดี๋ยวเรื่องพวกนี้มันจะต้องมาอีกออืืมมเราเราต้องวางให้ได้วางให้ได้ดิฉันต้องทนต่อไปมากกว่าสิบนาทีนั้นอย่างนั้นเหรอคะคือต้องถาท่านในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะท่านไม่ไหวแล้วราคาเวลามันจะหมดกันทั้งใช่ใช่นะคะงั้นต้องขอประธานโทษด้วยนะคะที่ตัดประเด็นตรงนี้ แล้วคงรบกวนท่านในวันถัดไปนะคะในมรดการขอพระคุณคะ<ช>่ะท่านฟังคะทีฉันเองกอ็คิดว่าท่านฟังหลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์อะไรขับข้องใจเหมือนกันก็จะเก็บไว้ในใจนะคะคำถามของท่านเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยท่านก็ส่งคําถามของท่านไปที่เพียวธรรมะ com 1 0 6นะคะแล้วก็รายการนี้สัมสีนิสนทนาเนี่ยคะ่ะจะนํามาตอบให้กับท่านได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ ค่ะท่านใดที่สนใจจะศึกษาพุทธวจนะมีหนังสือเก็บไว้ในครอบครองเอาไว้ท่องสักเล่ม น, นึงชีวิต1นึงท่านท่องได้ทั้งเล่มเล็กๆนั้นดิฉันก็ว่าโอ้สุดยอดแล้วหรือเพียงแค่บทใดบทหนึ่งบางบทก็สุดยอดแล้ว 02-269-0006 เนะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของ fm 1 0 6ที่จะทำให้ ท่านโทรเข้าม า, าท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสติปโลวัฒนาปภงลำลุกกาคลองสิทธิ์มอบให้พวกเราวันละสามเล่มคะ่ะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพู้ทวสวัสดีคะ่ะ